ทองม้วนคนใจดีทองม้วนกับเมธีเป็นเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันทองม้วนเป็นคนใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นทว่ามีสติปัญญาในการเล่าเรียนค่อนข้างน้อยอ่านเขียนได้ช้าแต่เขาก็รู้ตัวและมีความพยายามในการศึกษาเป็นอย่างมากส่วนเมธีนั้น เป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนก่อนประโยชน์ของผู้อื่นเสมอแต่เขามีสติปัญญาในการศึกษาเป็นเลิศเมื่อสอบทีไรก็มักจะได้คะแนนสูงกว่าเพื่อนๆที่ร่วมศึกษาด้วยกันเสมอวันหนึ่งท่านเจ้าอาวาสผู้เป็นอาจารย์ อบรมวิชาการให้แก่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านได้รับข่าวจากเจ้าเมืองขอให้คัดเลือกเด็กหนุ่มสองคนไปเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นขุนนางฝ่ายการปกครองในเมืองหลวงตำแหน่งนี้เป็นที่รู้กันดีว่าสำคัญมากหากใครสามารถสอบผ่านและเข้าไปทำงานในตำแหน่งนี้ได้ก็จะมีโอกาสเติบโตทางราชการสูงอีกทั้งยังเป็นที่เกรงขามของผู้คนทั่วไปอีกด้วย ท่านเจ้าอาวาสคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งจึงตัดสินใจส่งเมทีเด็กหนุ่มผู้มีสติปัญญาทางการศึกษามากที่สุดและทองม้วนเด็กหนุ่มผู้มีจิตใจดีงามที่สุดในหมู่บ้านเดินทางไปเข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้ด้วยกันทองม้วนนั้นไม่ได้คาดหวังว่าตนจะต้องสอบได้แต่คิดว่าจะพยายามทำข้อสอบให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนเมทีนั้นคิดต่างออกไปเขาอยากเข้าทำงานในเมืองหลวงและคิดว่าอย่างไรซะตนเองก็ต้องผ่านการสอบคัดเลือกอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามข่าวจากเจ้าเมืองมาถึงหมู่บ้านนี้ก็เมื่อใกล้วันสอบคัดเลือกเข้าไปมากแล้วดังนั้นทองม้วนกับเมทีจึงต้องเก็บสัมภาระและเร่งรีบเดินทางออกจากหมู่บ้านในเวลานั้นทันที หากเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนก็น่าจะถึงเมืองหลวงภายในเวลาสามวันการเดินทางอย่างเร่งรีบของทั้งสองผ่านไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งเข้าสู่วันที่สามซึ่งใกล้จะถึงเมืองหลวงเต็มทีแต่ระหว่างทางนั้นเองทองม้วนกับเมธีก็เห็นชายชราผู้หนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ข้างทางทองม้วนเห็นดังนั้นด้วยความใจดีมีเมตตา เขาจึงรีบปลี่เข้าไปดูชายชร า, าผู้นั้นทันทีด้วยความเป็นห่วงลุงจ๊ะลุงลุงเป็นอะไรหรือเปล่าทองม้วนประคองร่างของชายชร า, าขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนอย่างระมัดระวังสงสัยสตายแล้วกมะอย่าไปยุ่งเลยนะ้าเดี๋ยวใครมาเห็นก็หาว่าพวกเราเป็นคนทําจะพากันซวยไปเปล่าเปล่านะเมทีพูดพร้อมกับฉุดมือทองม้วนให้ลุกขึ้น แต่ทองม้วนยังคงสงสารและห่วงใยชายชราไม่ยอมลุกไปไหนเขาใช้เขาใช้นิ้วอังใต้จมูกชายชราพบว่ายังคงมีลมหายใจอยู่ลุงคนนี้ยังไม่ตายนะถ้าเราช่วยเขาก็จะรอดทองม้วนบอกเพื่อนแต่เราต้องรีบไปสอบให้ทันนะ เมทีทักท้วงหน้าเพื่อนแค่ช่วยคนไม่ทำให้เราเสียเวลาขนาดนั้นหรอกพูดจบทองม้วนก็แบกร่างของชายชาราขึ้นบนหลังแล้วพาไปนอนใต้ร่มไม้โดยมีเมทีเดินตามอย่างรู้สึกขัดเคืองใจจากนั้นทองมว้วนก็ใช้น้ำดื่มที่พกติดตัวมาเทใส่ผ้าแล้วเช็ดหน้าเช็ด ต, ตาให้ชายชาราจนเขาฟืน้น ลุงฟื้นแล้วทองม้วนอุทานด้วยความดีใจชายชรามองหน้าทองม้วนกับเมธีแล้วถามว่าทั้งสองเป็นใครและตนเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเราสองคนกำลังเดินทางไปเมืองหลวงแต่พอถึงตรงนี้ก็เจอลุงนอนสลบอยู่ข้างทางนะจ้าทองม้วนบอกอ๋อจริงสินะเหมือนชายชราจะเพิ่งนึกขึ้นมาได้ เมื่อคืนข้าเดินทางไปทาธุระที่ต่างเมืองแล้วก็รีบเดินทางกลับเมืองหลวงโดยไม่ได้พักผ่อนเลยสงสัยร่างกายคงทนไม่ไหวเลยเป็นลมพรัดตกจากหลังมา้าถ้าพวกเจ้าไม่มาพบมีหวังข้าคงกลายเป็นวิญญาณเฝ้าข้างทางเป็นแน่แล้วนี่ลุงเดินไหวหรือเปล่าจ๊ะทองวนถามด้วยความเป็นห่วง โอ้ยสงสัยจะไม่ไหวละพ่อหนุ่มเอ้ยข่ามันแก่แล้วลองได้ตกจากหลังมา้าลงมาสักทีก็คงเจ็บหนักไปอีกหลายวันนั่นแหละหนีก็ไม่รู้ว่าจะกลับเข้าเมืองหลวงอย่างไรเหมือนกันข่ามีธุระด่วนที่จะต้องรีบกลับไปทำซะด้วยสิถ้าอย่างไรคงต้องรบกวนพ่อหนุ่มทั้งสองแล้วละ่ะชายชาราขอร้อง โอ้ยม่ได้หรอกลุงเราสองคนต้องรีบไปสอบนะถ้าขืนมัวแบกลุงไปส่งที่บ้านเราก็ไปสอบไม่ทันน่ะสิเมธีว่าอย่างอารมณ์เสียเพราะรู้สึกว่าชายชราคนนี้ขอมากเกินไปอย่าพูดอย่างนั้นสิเพื่อนช่วยคนสำคัญกว่านะทองม้วนเตือนสติเพื่อนเอาเชิญเจ้าแสดงบทคนใจดีไปตามสบายเลยข้าไม่เอาด้วยหรอก อนาคตที่สดใสกาลังรออยู่ข้างหน้าและข้าจะต้องเป็นขุนนางฝ่ายการปกครองให้ได้ถ้าเจ้ามัวจะช่วยตาลุงนี่จนพลาดการสอบไปก็สมควรละข้าไปก่อนละเมธีกล่าวแกะทองม้วนด้วยน้ำเสียงที่หมางเมินแล้วหันหลังเดินจากไปอย่างไม่แยแสรีบตามเพื่อนของเจ้าไปสิพนุม่มนี่ก็ใกล้เวลาสอบเต็มทีแล้วอีกประเดียว คงมีคนผ่านมาทางนี้บ้างหรอกนะแล้วข้าจะขอให้เขาช่วยพากลับไปเมืองหลวงเองเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกชายชรากล่าวอย่างเห็นอกเห็นใจแต่ทองม้วนไม่ได้เสียใจมากมาอย่างที่ชายชราคิดเขากล่าวแก่ชายชราด้วยหัวใจของผู้มีเมตตาว่าข้าไม่อาจทิ้งลุงให้นั่งรอความช่วยเหลือที่ไม่รู้จะผ่านมาเมื่อไหร่ได้หรอกถ้าข้าทิ้งลุงไว้ตรงนี้เพื่อไปเข้าสอบ ข้าก็คงไม่มีแก่ใจที่จะทําข้อสอบหรอกเพราะมัวแต่คิดเป็นห่วงลุงแล้วก็คิดว่าตนเองนั้นเลวเต็มทีแต่การสอบครั้งนี้สําคัญมากนะเจ้ารู้หรือไม่ไม่บ่อยนักหรอกที่ทางการจะจัดการสอบคัดเลือกขุนนางฝ่ายการปกครองถ้าเจ้าไม่ได้เข้าสอบในครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่นะชายชารา ว, ว่าช่างเถิดจัลุง ความจริงฉันก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรหรอกออกจะมีสติปัญญาที่อ่อนด้อยซะด้วยซ้ำถึงจะได้สอบครั้งนี้ก็ใช่ว่าจะสอบติดซะเมื่อไหร่อย่าคิดมากเลยจะลุงบอกฉันมาเถอะว่าลุงต้องการให้ฉันพาลุงไปส่งที่ไหนทองม้วนพูดออกมาจากใจจริงเมื่อได้ฟังดังนั้นชายชราก็สัมผัสดได้ถึงความจริงใจของทองมว้วนและรู้สึกซาบซึงใจชายหนุ่มเป็นอย่างมาก ดังนั้นทองม้วนจึงแบกชายชราขึ้นหลังแล้วเดินทางเข้าเมืองหลวงต่อไประหว่างที่แบกชายชราไปนั้นแม้จะเหนื่อยและล้าเพียงใดแต่ชายหนุ่มก็ไม่ปลี่ปากบน่นเ็เดินไปตามทางที่ชายชราบอกจนกระทั่งมาหยุดอยู่หน้าพระราชวังบ้านลุงอยู่ในวังหรือจ๊ะทองม้วนถามยังพาซื้อใช่ซะที่ไหนกันข้าทางานในนี้ต่างหากเล่า ชายชราตอบพร้อมกับหัวเราะขบขันนายทหารที่เฝ้าประตูพระราชวังเพ่งมองมายัางทองมวนแล้วรีบวิ่งเข้ามาหาทันทีท่านอมาตย์ยายท่านจึงเป็นเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นกับท่านขอรับทหารคนนั้นร้องด้วยความตกใจแต่ทองมวนนี่สิตกใจซะยิ่งกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนิดหน่อยการสอบเสร็จสิ้นลงหรื อ, อยังหละ่ะ ชายชราผู้ที่แท้จริงแล้วเป็นถึงอำมาตย์ชั้นเอกในฝ่ายการปกครองเอ่ยถามการสอบเสร็จสิ้นไปเมื่อไม่นานมานี้เองขอรับและเราได้ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดมาแล้วห้าคนตอนนี้ทุกคนกำลังรอท่านเพื่อมารับรองผลการคัดเลือกอยู่พอดีขอรับเมื่อได้ยินดังนั้น อมาดฝ่ายการปกครองจึงให้ทหารจัดหาเก้าอี้รถเข็นและพาเขาไปยังห้องที่จัดไว้สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโดยให้ทองม้วนเดินเคียงคู่ไปด้วยครั้นมาถึงหน้าห้องทองม้วนได้มองผ่านประตูที่เปิดรออยู่แล้วเข้าไปข้างในพบว่าในห้องนั้นมีผู้สอบผ่านห้าคนกำลังนั่งคอยอยู่แล้วและหนึ่งในนั้นคือเมที ซึ่งกำลังยิ้มหน้าบานรวมอยู่ด้วยขณะนี้ท่านอัมมาศชั้นเอกแห่งฝ่ายการปกครองได้มาถึงแล้วขอทุกท่านจงลุกขึ้นและทำความเคารพแก่ท่านนายทหารกล่าวนำทุกคนในที่นั้นทำความเคารพอัมมาศฝ่ายการปกครองอย่างพร้อมเพรียงยกเว้นเมธีที่ยืนหน้าซีดเผือกท่าทางตกใจเป็นอย่างมาก ว่ายอย่างไรมีเจ้าสอผ่านด้วยหรือแสดงว่าเจ้าคงเป็นคนที่มีสติปัญญาทางการศึกษามิใช่น้อยอํมมัดไฟการปกครองเก่าวทักเมธีอย่างเยาะๆยะ ข, ข, ขอบคุณท่านอมมัดที่กล่าวชมค่าขอรับเมธีตอบรับคําชมนั้นด้วยความกระอักกระอ่วนใจเพราะเขาไม่ได้รู้สึกเลยสักนิดว่านั้นคือคําชมแต่เหมือนเป็นการประชดซะมากกว่า สำหรับเมืองของเราซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากนั้นขุนนางฝ่ายปกครองนับเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดและเมืองของเราก็ต้องการคนดีมีเมตตาไม่เห็นแก่ลาบยศเห็นอกเห็นใจในความเดือดร้อนของชาวบ้านเข้ามาทำ ง, งานในตำแหน่งนี้ไม่เช่นนั้นจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชน กอบโกยผลประโยชน์เข้าสู่ตนเองและไม่อนาทรร้อนใจยามชาวบ้านเดือดร้อนซึ่งบุคคลดังกล่าวนี้ไม่มีทางที่ข้าจะรับเข้ามาเป็นขุนนางอย่างเด็ดขาดอ მ าด์ฝ่ายปกครองกล่าวแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยน้ำเสียงทรงอานาจซึ่งทองวนสังเกตเห็นว่าในเวลานี้อ მ าด์ฝ่ายการปกครองแหละดูน่าเกรงขามยิ่งนัก จนเหมือนเป็นคนละคนกับชายชราที่ทองม้วนได้ช่วยเหลือเอาไว้ดังเช่นคนอย่างเจ้าอํามาัฝ่ายการปกครองชี้นิ้วไปทางเมทีซึ่งมีท่าทางหวัดผาวายอย่างหนักแม้เจ้าจะสอบได้คะแนนดีแต่ข้าได้ประจักษ์แก่ตนเองแล้วว่าความฉลาดแต่ไร้คุณธรรมแห่งความเมตตาการุณและคิดแต่เรื่องของตนเองอย่างเจ้า จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนไม่รู้จักจบสิ้นเพราะฉะนั้นด้วยสิทธิขาดในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามารับตําแหน่งนี้ของข้าข้าขอปลดเจ้าออกจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและให้สิทธิพิเศษแก่ทองมว้วนผู้พลั่งพร้อมด้วยคุณธรรมแห่งความดีเข้าทํางานในตําแหน่งนี้อย่างภาคภูมิ ว่าแล้วอามาัดฝ่ายการปกครองก็สั่งให้ทหารนำตัวเมธีออกนอกเขตพระราชวังทันทีจำไว้เถิดว่าสำหรับผู้ปกครองแล้วคุณธรรมย่อมมีค่าและควรมาก่อนความล้ำเลิศทางสติปัญญาเสมอขอให้พวกเจ้าละทิ้งความเห็นแก่ได้และตั้งใจทำงานในหน้าที่นี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ กล่าวจบอำมาตย์ฝ่ายการปกครองก็มอบตราประจำตำแหน่งให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งห้าคนซึ่งมีทองม้วนคนใจดีรวมอยู่ในนั้นด้วยเธอทั้งหลายอย่างที่อำมาตย์ฝ่ายการปกครองกล่าวไว้จงให้ความสำคัญกับคุณธรรมมากกว่าความล้ำเลิศทางสติปัญญาเพราะคุณธรรมจะทำให้เธอไม่เห็นแก่ตัว และอยากให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอแต่การมีสติปัญญาที่เลอเล i, ะิะทวาไรคุณธรรมมักสร้างเธอให้กลายเป็นคนลุ่มหลงในผลประโยชน์แห่งตนและลวงล้ำเขาสู่เส้นทางที่ชั่วร้ายได้โดยง่ายจงช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเห็นว่าเขาได้รับความเดือดร้อนเถิดแม้การลงแรงครั้งนี้เธอจะไม่ได้อะไรเป็นการตอบแทนเลยแต่ขอให้มั่นใจเถิดว่า ตัวเธอจะพบแต่ความสุขความเจริญและมีแต่คนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเธอในทุกทุกที่เช่นเดียวกัน